ช่วงทดลองเสียงนี้ก็จะถือโอกาสปรึกษากับทีมงานเรื่องการปรับพังหน่อยเพราะว่าสถานการณ์บนพื้นที่มันเปลี่ยนไปเดิมทีเราแสดงธรรมโดยไม่มีผู้มาฟังเราก็เลยจัดทุกสี่วันแต่เดนี้มีสัายาญโยมาฟังกันซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะสะดวกวันเสาร์วันอาทิตย์ ต้องปรับเป็นเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดราชการเรื่อ ว, วันพระเรือ ว, วันหยุดเฉลิบเฉยอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่ข่าวหน้าเลยข่าวหน้ามันจะตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมก็เลื่อนไปอีกวันหนึง่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ต่อได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้แล้วเราปรับใหม่แล้วเราปรับเรียบร้อยแล้วเราก็โพสต์ไปในเพจใหม่วันนี้วันที่หกเดื่องที่ข่าวต่อไปวันที่สิบ ทีนี้มันเป็นวันศุกร์ป่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันเริ่มตั้งแต่ข่าวหน้านี้เลยปับเสาร์อาทิตย์กับวันพระกับวันหยุดราชการก็อาทิตย์หนึ่งก็มีสมวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระถ้าวันพระตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็แค่สองวันแล้วถ้ามีวันหยุดราชการก็เพิ่มเช่นวันที่ยีก็วันเป็นเฉลิมวันเฉลิม ถ้ามีหยุดชดเชยก็เพิามกวันนึ่จะได้สะดวกกับญย้อยู่อเพราะถ้าเราไปจัดวันศุกร์เขาไม่มาเขาจะมาวันเสาร์เขามาวันเสาร์เราก็ไม่ได้แสดงธรรมก็คืออย่างรอบต่อไปนี่คือวันที่วันที่สิบเรายกเลิกจะเป็นวันที่สิบเอ็ดสิบสองเ็สิบสองแล้ววันพระเป็นวันที่สิบสามันพระไม่เลยสิบสามสิบสี่ไม่ให้เวันพระไม่ย เว้นวันหนึ่งวันวันพระข้าวานจะเป็นสิบสี่เป็นวันอังคารใช่ไหมเพราะอือช่วช่วนี้วันะจะไม่ใช่ตรงเนี่ยถ้าถ้าถ้าสิบสามก็สิบสาสามวันก็สามวันกคือสิบเจ็ดสิบสองสิบสามโอเคแล้วพอเสจก็จะเว้นไปอีกสิบวัแล้วเสาร์อาทิตย์แลวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เว้นวันหนึ่งก็เป็นสิบแปดสิบเก้าที่สนี่สิบเป็นันพก็คือเราิกันสามวัน มันน่าจะมีขั้นอยู่นะเดี๋ยวเช็คดูอีกทีแล้วกัน่นะครับเดี๋ยวซองดีไซน์เกินหรือเปล่าฮะซองตัวหม่ดีไซน์เกินมีอยู่บ้างนะไม่พอแท้เลยโอเคมีอยู่นิดหน่อยก็ไม่เคิดว่าจะมีญาติยอม กันมากขนาดนี้เพราะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีใครมาฟังเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านแต่รู้สึกว่าตอนนี้เขาอนุ ญ, ญาตให้ออกมาได้แล้วแต่ตอนนี้ทางบนเขาทางป่าไม้เขายังไม่เปิดให้ขึ้นไป และเห็นเขาบอกว่าถ้าเปิดก็อาจจะต้องจํากัดจำนวนคนเห็นพูดว่าแปดสิบคนนี่ถ้าคนป๊ะคนที่แปดสิบเอดก็จะเข้าไม่ได้ <c oughs> เราก็เลยบอกว่าถ้ายังมีการจํากัดอยู่ก็อย่าพึ่งขึ้นไปดีกว่าที่นี่ก็ไม่จํากัดตามสถานที่นั่งได้เท่าไหร่ก็นั่งไปตามความเป็นจริง เดิมทีก็อยากจะให้ฟังที่บ้านกันเพราะมันก็เหมือนกันนะอันนี้พูดมันก็ตรงไปที่บ้านตรงเข้าไปในเครื่องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนฟังก็ได้ทำมันเดียวกันแต่อาจจะต่างที่บรรยากาศเพราะที่บ้านของญาติโยมส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นที่มี เรื่องราวต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆจึงจะไม่ค่อยสงบพอไม่สงบมันฟังก็ไม่ได้ได้ลดได้ชาติ <c oughs> การฟังธรรมนี้ต้องมีความสงบสถานที่สงบ <c oughs> เป็นที่เสริมการฟังธรรมให้ได้ลดได้ชาติได้คุณได้ประโยชน์ สถานที่สงบแล้วกายวาจาใจก็ต้องสงบด้วยแต่ก็เวลามาที่นี่ก็ต้องขออภัยในที่ไม่สามารถรับรองท่านด้วยสถานด้วยการหาที่บุงที่บางหรือที่นั่งเช่นเสื อ, อก็เลยต้องอาศัยให้ท่าน เอามากันเองเอาเสื่อมาเองใครต้องการนั่งเก้าอี้ก็จะต้องเอาเก้าอี้พับได้มาเองมานั่งแล้วก็มีร่มใกล้ตัวไว้ก็ดีเผื่อฝนมาถ้าหลบไม่ทันก็จะได้มีร่มกลางได้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้รับรอง เพราะเราก็ไม่มีบุคลากรถือหลักอัตตาหิอัตโนนาเถตนเป็นที่พึ่งของตนก็มันก็เป็นอย่างนี้ <c oughs> วันนี้ท่านก็คงจะทราบดีว่าเป็นวันเข้าพรรษา ที่มาของการวันเข้าพรรษาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติหรือทรงกำหนดให้พาะภิกษุสามเณรอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันนี้คือวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตาม พอถึงวันแรงหนึ่งข้ามเดือนแปดก็ต้องหยุดการเดินทางไปไหนมาไหนให้อยู่กับที่เนื่องจากในสมัยพุทธกาลเวลาที่พระเนนเดินทางไปหาสถานที่ปริกวิเวกมักจะต้องเดินตัดทุ่งนาแล้วช่วง นี้เป็นช่วงเืฤดูฝนเป็นช่วงพ่อปลูกแล้วก็เวลาพระเนนเดินลัดทุ่งนาก็มักจะไปเหยียบต้นข้าวที่เขาเพิ่งปลูกใหม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชาวนาชาวไร่ชาวนาชาวไร่ก็เลยไปกราบทูน ขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้า mm hmm. เมื่อทรงพิจารณาเห็นความเดือดร้อนของชาวนาวชาวไร่ mm hmm. ก็เลยท่งรับสั่งให้พระภิกษุสามเณรนักบวชภิกษุณี mm hmm. ที่อยู่ในศาสนาพุทธตั้งหมดนี้ให้ ร, รับการปีกวิเวกคือการเดินทางไปหาที่สงบ เพื่อบำเพ็ญการภาวนาให้ตั้งอยู่ในวัดวารามในสถานที่อยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือนแต่ก็ทรงมีข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเช่นชถ้าบิดามันดาคูบาจานเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องไปดูแลรักษาท่านก็ไปได้แต่ไปได้ครั้งนัไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนพอครบแล้วต้องกลับมาอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งคืนแล้วถ้าจาเป็นจะต้องกลับไปใหม่ก็กลับไปได้แต่ไม่ให้ไปยาวไปให้ไปเพียงครั้งละเจ็ดวันเจ็ดคืนนะกรณีที่สองก็ ถ้ามีเหตุการณ์คือมีที่อยู่อาศัยกุฏิวิหารชำรุดต้องมีการซ่อมแซมถ้าไปเพื่อไปหาวัสดุที่เอามาซ่อมแซมก็ไปได้ไปค้างคืนที่อื่นได้แต่ก็ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืน เช่นเดียวกับถ้ามีกิจนิมนต์ญาติโยมจะทำบุญนิมนต์พระที่ต้องเดินทางไกลไปไปเช้าเย็นกลับไม่ได้<ส>ก็อนุญาตให้ค้างแรมได้นี่คือข้อยกเว้นซึ่งมีอยู่หลายข้อด้วยกันนี่ก็เอาเอาตัวอย่างมาให้ท่านได้ พิจารณาให้ได้รับทราบเรื่องของการชำพันษาโดยหลักก็คือเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาวชาวไร่ที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านอาจจะไม่ได้พิจารณารอบข้อเวลาท่านเดินทางไปไหนมาไหนท่านอาจจะต้องการเดินให้มันระยะสั้นที่สุด ก็ต้องเดินข้ามทุ่งนากันแล้วช่งวงฤดูฝนก็เป็นช่วงทำการเพาะปลูกของชาวนาชาวไร mm hmm. ่ก็อาจจะไปะเหยียบทำลาย mm hmm. เพื่อที่กำลังเพาะปลูกใหม่เ mm hmm. กิดความเสียหาย mm hmm. ต่อมาทำเนียมจำบรรษาก็ mm hmm. เป็น กรณีที่ชาวพุทธที่มีลูกผู้ชาย mm hmm. ก็อยากจะให้บวช mm hmm. เพื่อได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เพื่อที่จะได้ตอบสนองพระคุณของบิดามารดา mm hmm. เพราะมีความเชื่อว่า mm hmm. การบวชของลูกนี้ จะช่วยทำให้พ่อแม่ได้ไปสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่ตายไปแล้วลูกก็ได้บุญจากการเสียสละมาบวชมาอยู่แบบอดยาขาดแคลนมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ลูกก็จะได้ธรรมะที่จะเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้ไปสู่ที่สุขที่เจริญชาวพุทธชาวไทยเราก็เลยถือธ ร, รมเนียมบวชกันให้กับลูกผู้ชายที่มีอายุครบยี่สิบปี ก็เลยนิยมบวชกันในช่วงเข้าพรรษาเพราะเป็นช่วงที่พระท่านอยู่ประจำที่กันครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ต้องเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นก็จะได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ก็เลยมีธรรมเนียมบวชเข้าพรรษากันและธรรมเนียมของการบวชเข้าพรรษานี้ ก็มีการถวายเทียนพรรษาสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าเหมือนสมัยนี้ <Yeah. S 1> ก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียน <Yeah. S 1> เมื่อในช่วงเข้าวพรรษาก็จะมีผู้มาบวชเป็นจำนวนมาก uh huh. ก็จาเป็นที่จะต้องใช้เทียนเป็นจำนวนมาก uh huh. จึงมี ประเพณีในการถวายเทียนเข้าพรรษากันเพื่อที่จะได้ให้พระภิกษุสามเณนรนที่บวชในพรรษานั้นมีแสงสว่างไว้ใช้ในยามเข้าคืนมีแสงเทียนนี่เป็นที่มาของการถวายเทียนพรรษาแต่สมัยนี้เรามีไฟฟ้ากันวัดส่วนใหญ่ ยกเว้นพระที่เป็นพระที่เป็นวัดป่าที่อยู่ที่ไกลกันที่กันดานที่ห่างไกลจากความเจริญก็ยังใช้แสงเทียนกันอยู่อย่างสมัยที่เราศึกษาที่วัดป่าบ้านตาดสมัยนั้นที่วัดป่าบ้านตาดก็ไม่มีไฟฟ้าถึงแม้จะมีไฟฟ้าไปถึงแล้วก็ตามแต่หลวงตาท่าน ทรงไม่ไม่ให้วัดใช้ไฟฟ้าเพราะไฟฟ้านี้มีทั้งคุณและมีทั้งโทษคุณก็คือให้แสงสว่างแต่โทษก็มันเป็นมันจะช่วยการให้มีการใช้สื่อต่างๆที่เป็นโทษต่อพระเน เช่นทีวีวิทยุหรือเครื่องอำนวยความสุขกเช่นตู้เย็นเป็นต้นซึ่งจะมาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมมากกว่าส่งเสริมหลวงตาท่านก็เลยไม่ให้เอาไฟฟ้าเข้าวัด น, น้ำประปาก็ไม่ให้เข้าวัดเพราะจะทำให้ขี้เกียจสบายกันมากเกินไป น้ำก็ให้ใช้น้ำบอ่อใช้สูบโยกน้ำขึ้นมาใส่ปิ๊บแล้วก็ใส่รถเข็นเข็นไปใส่ตามตุ่มต่างๆอาเนนจะได้มีความเพียนได้ออกกำลังกายไม่ขี้เกียจกันนั้นวัดป่าบ้านตาดสมัยนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เทียนกัน ใช้เทียนเป็นหลักอันนี้คือเรื่องของการใช้เทียนพอในถึงยุคปัจจุบันนี้วัดส่วนใหญ่ก็ใช้เทียนเป็นเครื่องประดับไปตั้งอยู่ในโบสถ์ตั้งอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆคือให้แสงสว่างงนั้นการถวายเทียนก็เลย หมดความสำคัญไป <Yeah. S 1> ก็เปลี่ยนเป็นการถวายค่าไฟบ้างค <Yeah. S 1> ่าไฟฟ้าเพราะที่ว่าถ้าใช้ไฟฟ้าก็ต้องจ่ายค่าไฟ <Yeah. S 1> ก็เป็นเปลี่ยนจากเทียนมาเป็นการถวายค่าไฟฟ้าค่าน้าค่าไฟ <Yeah. S 1> ห, รหรือถวายพวกหลอดไฟต่างๆแทนถวายเทียน เพราะเทียนนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แสงสว่าง mm. เพราะเดี๋ยวนี้มีไฟฟ้าแล้ว mm. ก็เลยเป็ น, mm. เ, ปนเป็นเครื่องประดับไปไว้ mm. เวลาทำวัดเย็นวัดเช้าก็จุดทูบเทียนไปเท่านั้นเอง mm. ความจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนก็เลย mm. น้อยลงไปหรือไม่มีเลย mm. ยิงสมัยนี้ การจุดธูปก็ไม่มีแล้วในภายในตัวอาคารเพราะควันธูปนี้เป็นควันพิษสูดเข้าไปมากๆก็ทำให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บต่อร่างกายได้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของศาสนาซึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับตัวศาสนาโดยตรง ตัวศาสนานี้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ตัวศาสนาคืออะไรก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พุทธบยุยสัตว์สี่ได้ศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการดับความทุกข์ใจต่างๆ ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เปลี่ยนไปกับการกับเวลาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันธรรมบทด้วยกันนี้ เป็นธรรมที่เป็นความจริงล้วนร้อยเปอร์เซ็นสวากขาโตพระกัตาธรรโมแปบลบว่าเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีก็ตามกี่ล้านปีก็ตามกี่กับก็ตาม ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งแล้วนำมาสอนให้แก่สารโลกนี้เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่เกี่ยวกับจิตใจของสรโลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในตายภพที่จำเป็นจะต้องอาศัยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นพาหนะที่จะพาให้สัตว์โลกที่ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างคำสอนนี้จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สถานที่ของศาสนา หรือสิ่งที่มาเป็นเครื่องประดับของศาสนานี่ก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ตามการตามเวลาตามเหตุการณ์แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกโรเรกเอรานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน ในสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ <Yeah. S 1> ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีแบ่งไว้เป็นสามภพด้วยกันภ <Yeah. S 1> พแรกเรียกว่ากามภพ <Yeah. S 1> คือภพของผู้ที่เสพกาม <Yeah. S 1> กามก็คือกามคุณห้าได้ <Yeah. S 1> แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะ yeah. เช่นพวกมนุษย์นี้ก็เสพกามมนุษย์เรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะผ่านต า, ตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยฉานพวกแมวพวกสุนัขพวกวัวควายพวกนกพวกปลาเนี่ยเสพกามเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกัน หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดปวดทพะเหมือนกันแต่การความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานี้เกิดจากอดี ต, ตกรรมที่ทำมาในอดีตไม่เหมือนกันผู้ที่ทำบาปในอดีตก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนที่จะมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่ได้ทำบาป ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พวกที่เกิดเป็นเดรัจฉานก็มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปหลังจากที่บาปที่ได้ทำไว้ได้ชดใช้หมดแล้ว<อ>ได้เกิดตายเป็นสัตว์เดรัจฉานจนบาปที่เคยทำไว้มันหมดกำลังแล้ว<อ>ก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิด ภพนี้ไม่ใช่เป็นภพเดียวชาติเดียวตายแล้วไม่สูญสิ่งที่สูญคือร่างกายร่างกายนี้กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเพราะร่างกายนี้ทํามาจากดินน้ำลมไฟดินก็คือข้าวที่เรารับประทานเข้าไปพวกผักพวกข้าวพวกของของแข็งทั้งหลายนี้ต้องทํามาจากดินทั้งนั้น ผักก็ปลกจากดินขึ้นมาข้าวก็มาจากดินส่วนของเหลวเราก็เรียกว่าธาตุน้าน้าที่เราดื่มเข้าไปน้ำที่ปรุงกับอาหารพวกน้ำแกงต่างๆก็เป็นธาตุน้ำธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่เราเอาธาตุลมเข้าไปผสมกับธาตุดินธาตุน้ำที่เรากินเข้าไปในทางอาหาร แล้วพอผสมกันมันก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาความร้อนในร่างกายสังเกตดูเวลารับประทานอาหารเสร็จนั่นงกายจะรู้สึกร้อนขึ้นมากว่าปกติเพราะว่าไฟแรงขึ้นแรงจากการผสมของธาตุดินธาตุน้าธาตุลมจึงทำให้มีความร้อนในร่างกายนอกจากความร้อนทางร่างกายที่เกิดจาก การผสมของธาตุดินน้ำลมแล้ว mm hmm. ก็มีความร้อนจากของผ้าทิศ ท, ที่เรารับเข้าไปอีกทางนึง mm hmm. นี่คือส่วนประกอบของร่างกายของพวกเราทุกคน mm hmm. ที่ไม่เที่ยงที่มีการเจริญเติบโตแล้วในที่สุดก็จะต้องมีวันแตกสลายไปเ mm hmm. วลาคนตายไปนี้ธาตก็จะแยกออกจากกัน ธาตุที่ไปก่อนก็คือธาตุลมหมดลมหายใจลมหายใจไม่เข้าไปแล้วมีแต่ลมออกลมที่ระเหยมาที่เป็นกลิ่นนี่ก็เป็นธาตุลมตามด้วยธาตุไฟร่างกายของคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายของคนเป็นจากนั้นก็เป็นธาตุน้าที่จะแยกออกจากร่างกายตามทวารต่างๆ เราต่อไปก็จะเหลือแต่ธาตุดินคือส่วนที่เป็นส่วนแข็งส่วนที่เป็นเนื้อหนังมังสาที่แห้งกรอบกระดูกทิ้งไปนานๆเข้าก็จะเปื่อยกลายเป็นดินไปอ่านี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนและของสัตว์เดรัจฉานมไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นธาตุรู้คือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจหรือดวงวิญญาณเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็คือกายทิพย์กายทิพย์ที่อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้อยู่ในโลกธาตุร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุธาตุสี่นี่คือโลกธกาตุโลกที่เราอยู่นี่เป็นโลกธกาตุ ทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นต้นไม้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟหญ้าที่ท่านนั่งอยู่นี่ก็ต้องมีดินน้ำลมไฟร่ <Yeah. S 1> างกายของพวกเราข้าวของต่างๆที่เราใช้ก็าามาจากดินน้ำลมไฟ <Yeah. S 1> นี่เราเรียกว่าโลกกระทาแต่ใจผู้รู้ผู้คิดนี้ที่เป็นกายทิพนี้ไม่ได้อยู่ในโลกกระทาใจของเรานี้อยู่โลกทิพ แต่มันเหมือนกับอยู่ติดกันเพราะใจกับร่างกายนี้เชื่อมต่อกันด้วยกระแสของของจิตของใจเราเรียกว่ากระแสจิตจิตส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายของพวกเราเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสส่งไปให้จิตอีกทีนึงจิตเป็นผู้รู้ผู้คิด จิตอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยต้องส่งกระแสจิตมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายกระแสจิต ท, ที่มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายนี้ท่านตั้งชื่อว่าวิญญาณอันนี้เป็นวิญญาณในขันห้าไม่ใช่เป็นดวงวิญญาณที่เป็นจิตใจอันนี้เป็นวิญญาณที่มารับรู้รูปเสียงกลิ่นรส ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่ห้าวิญญาณด้วยกันวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นและทางร่างกายเพื่อที่จะได้รับรู้เวลารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเข้ามาสัมผัสร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้รับรู้ ร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสกับร่างกายได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปนี่กล้องถ่ายรูปนี้รับรูปได้รับเสียงได้แต่ตัวกล้องถ่ายรูปนี้ไม่รู้ว่ามีรูปเข้ามามีเสียงเข้ามาไม่รู้ว่ารูปหรือเสียงที่เข้ามานั้นเป็นรูปอะไรเสียงอะไร ผู้ที่รู้นี่คือจิตใจที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในโลกทิพย์อยู่อีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตาของพวกเราตาของร่างกายนี้ไม่สามารถเห็นโลกทิพย์ได้จะเห็นโลกทิพย์ได้นี้ต้องเห็นด้วยตาทิพย์คือตาของใจนี่เองและการจะเห็นการที่จะทำให้ตาของใจเห็นได้ต้องเปิดตา ต้องเปิดตาทิพย์ตอนนี้ตาทิพย์ของพวกเราปิดถูกปิดอยู่เพราะเรามาเปิดตาของร่างกายใช้ตาของร่างกายแทนเราเลยปิดตาทิพย์เราเลยมองไม่เห็นตาทิพย์ผู้ที่จะเห็นตาทิพย์ได้นี้ต้องปิดตาของร่างกายถึงจะเปิดตาทิพย์ได้คือใช้เวลานอนหลับเนี่ย เวลานอนหลับเราปิดตาของร่างกายตาทิพก็เปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นความฝันต่างๆเห็นว่าเราไปที่นู่นามาที่นี่ทำอะไรกับใครคนนั่นคนนี้นี่คือเป็นเรื่องของตาทิพต้องปิดตานอกก่อนถึงจะเห็นโลกทิพได้ อีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นโลกทิพย์ก็คือเวลาเรานั่งสมาธินี่เวลาเรานั่งสมาธิเราก็ปิดตาแล้วเราก็ถอนกระแสจิตที่มาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายให้กลับเข้าไปในจิตด้วยการใช้สติดึงกระแสจิตที่ออกมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราใช้สติดูลมหายใจเข้าออก หรือเราบริกรรมพุทธโธพุทธโธเนี่ยเป็นการดึงกระแสของจิตที่เราเรียกว่าวิญญาณห้านี่วิญญาณทางตาหูจมูกนิ้นกายที่มาเกาะตาหูจมูกนิ้นกายนี้เหมือนกับถอดปลั๊กไฟเราถอดปลั๊กไฟไฟก็จะไม่สามารถวิ่งผ่านจะปลั๊กเข้าไปในสายเข้าไปในเครื่องได้พอเราถอดปลั๊กไฟ ถอดวิญญาณออกจากตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเวลาจิตรวมเข้าสู่ความสงบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่เรารับรู้กันอยู่ในขณะนี้จะหายไปหมดจะเหลือแต่ผู้รู้หรือความความรู้สึกความรู้อยู่เท่านั้นรู้แต่รู้ว่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้รับรู้ทุตอนนั้น สิ่งที่ให้รับรู้ก็มีอยู่คือความคิดหรือความไม่คิดถ้าจิตหยุดคิดก็จะมีแต่ความว่างความว่างเหมือนความว่างของท้องฟ้าเหมือนเวลาที่นักอวกาศไปออกไปในอวกาศนจะไม่มีอะไรให้เห็นนอกจากความว่างในเวลาจิตเข้าสมาธิจิตก็จะเข้าสู่โลกทิพย์แบบสมบูรณ์แบบ และเข้าแบบมีสติคือสามารถที่จะสั่งให้จิตนี้ทำอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนกับตอนที่เข้าในโลกทเทปเวลาหลับนะเวลาหลับนี้เราไม่มีสติคอยควบคุมจิตนาะฉะนั้นจิตจะพาเราไปไหนเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะพาเราไปสวรรค์มันก็พาไปได้มันจะพาเราไปนรกมันก็พาเราไปได้ เพราะตอนนอนหลับนี้เราไม่มีสติคอยควบคุมจิตใจสิ่งที่พาเราไปสวรรค์พาเราไปอาบายไปนรกนี้ตอนที่เราน อ, นอนหลับคืออะไรก็คือบุญและบาปที่เราทำกันนี่แหละเวลาเรานอนหลับนี่ถ้าเราฝันดีเนี่ยแสดงว่าบุญเป็นผู้พาเราไปพาเราไปรับผลบุญ ถ้าเราทำบาปไว้มากกว่าทำบุญบาปมีกำลังมากกว่าบาปมันก็จะพาเราไปในอบายพาเราไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างไปเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่เราทำว่าเป็นบาปชนิดไหนนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็น บ่งบอกให้เรารู้ว่าจิตใจของเราตอนนี้บวกหรือลบบุญมากกว่าบาปบาปหรือมากกว่าบุญก็ดูตอนที่เรานอนหลับนี่เวลาเราหลับถ้าเราฝันนี่ถ้าเราฝันดีเป็นส่วนใหญ่ก็แสดงว่าบุญนี้มากกว่าบาปถ้าเราฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็ Wr. แสดงว่าบาปนี้มากกว่าบุญนี่คือ ผลของบาปของบุญที่จะตามเราไปต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ไม่มีแล้วตายไปแล้วตอนที่นอนหลับนี่ก็เป็นเหมือนตายชั่วคราวเราก็จะได้เห็นอนาคตของเราตัวหนังตัวอย่างของอนาคตของพวกเราว่าเวลาถ้าเวลาเราตายไปแล้วเราจะไปสวรรค์หรือไปอบายกันถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดีเนี่ยเราก็ สบายใจได้ว่าตายแล้วไปอบายไปสวรรค์จะไปท่องเที่ยวอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่ความสุขถ้าเราฝันร้ายนี่เวลาตายไปนี่เราจะไปท่องอยู่ในโลกทิพย์ที่มีแต่เหตุการณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวเหตุการณ์ที่ทุกข์ทรมานต่างๆนี่เป็นผลของบุญของบาป ที่เราทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้รู้ได้ <Yeah. S 1> ทุกคนรู้เวลาเรานอนหลับเวลาเราฝันว่า <Yeah. S 1> วันวันไหนเราฝันดีบ้างวันไหนเราฝันไม่ดีบ้าง yeah. Yeah. อันนี้เป็นผลของบุญของบาปที่เราได้ทำไว้กัน <Yeah. S 1> ได้เป็นเป็นเพียงหนังตัวอย่างเท่านั้น หนังจริงนี่จะรอตอนที่ร่างกายตายไปแล้วทีนี้จะเป็นฝันยาวเลยตอนที่เรานอนหลับนี่เป็นฝันแค่เจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยเราเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่เวลาตายนี่มันไม่รู้กี่สิบปีกี่ร้อยปีกว่าจะตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นมาใหม่ก็คือตอนที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นั่นเอง พอเราคลอดออกจากท้องแม่มาก็เหมือนเราตื่นขึ้นมาจากความฝันช่วงระยะก่อนหน้าก่อนที่เราเกิดนี้เราอยู่ในโลกของความฝันกันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างแต่ก็ไม่ได้อาไม่ได้หมายความว่าจะฝันตลอดเวลาอาจจะมีเป็นพักเป็นช่วงๆไปเหมือนกับภาพยนตร์ฉายแล้วบางทีก็มีการพักบ้าง แล้วก็ค่อยฉายรอบใหม่ต่อไปฝันของเราก็เป็นอย่างนั้นฝันบ้างแล้วก็หยุดบ้างพักบ้างแล้วเดี๋ยวก็ฝันใหม่บ้างเป็นอย่างนี้ไปตามอำนาจของบุญของบาสนี่คือภพชาติของพวกเราพวกเราพวกเราส่วนใหญ่นี้จะอยู่ในในกามาพบกัน การมาพบนอกจากพบของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มีพบถ้าในอบายก็มีพบของเปรตของรัศดลกายและพบของนรกที่เป็นที่ไปของผู้ที่ทําบาปกันส่วนที่ไปของพวกที่ทําบุญก็เรียกว่าพบของพวกเทวดาพวกเทวดานี้ก็มีแบ่งเป็นชั้นๆมีหกชั้นด้วยกันชั้นจ่าตุมชั้น อะไรต่างๆดูสิจาไม่ค่อยได้มีอยู่หกชั้นด้วยกันมีระดับของความสุขต่างกันไปตามกำลังของบุญที่ทำไว้ทำบุญน้อยก็จะได้ระดับต่ำทำบุญมากก็จะได้ระดับสูงทำบุญมากก็ได้สุขมากทำบุญน้อยก็ได้สุขน้อย แต่แม้ว่าจะไปอยู่ในพบใดก็ตามมันก็จะหมดลงสิ้นสุดลงเมื่อบุญหรือบาปที่ส่งไปหมดกำลังส่งไปเกิดในอบายในนรกพอบาปหมดกำลังก็จะกลับมารอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่งไปเกิดเป็นสวรรค์ไปในสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นอะไรพอบุญที่ส่งไปหมดกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาเกิดมันมนุษย์เพื่อมาเสพรูปเสียงกดลิ่นรสกันใหม่และการหารูปเสียงกดลิ่นรสก็อาจจะต้องทำบาปบ้างไม่ทาบาปบ้างแลถ้ามีรูปเสียงกดลิ่นรสมากก็อาจจะทำบุญแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างเราก็ยังจะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเสพรูปเสียงกดลิ่นรสกันใหม่แล้วก็กลับมาทาบุญทาบาปกันใหม่แล้วพอ ร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับไปรับผลบุญกันกันใหม่รับผลบาปกันใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพบในการมาพบเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอีกสองภพนี้ที่เรียกว่ า, ารูปภพกับอรูปภพนี้เป็นภพของผู้ที่มีรูปประชานกับอรูปประชานผู้ที่นั่งสมาธิได้เช่นพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชนี้เขาไม่เสพกามเขาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้เสพกามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับกับใครทั้งหมด ไม่ให้หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารมากเกินไปไม่ให้หาความสุขจากมหรสพบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปพวกนี้เขาก็จะมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิจเจริญสติพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกถ้าสติมีต่อเนื่อง สติก็จะพาจิตเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆขั้นฌานนี้ก็มีแบ่งไว้สองระดับระดับละสี่สี่ขั้นด้วยกันรูปฌานก็มีสี่ขั้นอารูปฌานก็มีสี่ขั้นรูปฌานนี้ยาบกว่าอารูปฌานมีความสุขน้อยกว่าอารูปฌานการจะเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆเหล่านี้ได้ก็อยู่ที่กำลังของสติ ถ้าสติมีกําลังมากก็จะสามารถส่งจิตให้เข้าไปสู่ฌานที่สงบได้มากขึ้นไปตามลำดับเนีปรูปฌปานก็มีสี่ขั้นอรูปฌานก็มีสี่ขั้นผู้ที่ได้ฌานเหล่านี้เมื่อตายไปก็จะไปเกิดในรูประพบกับอรูประพบเนยรูปประพบนี้เราเรียกว่าพวกรูปประพร ม, มที่มีรูป ส่วนอรูปภพนี้เป็นภพที่ไม่มีรูปเรียกอรูปภพพวกนี้ก็จะไม่มาเกิดในการมาพบยกเว้นเวลาที่กำลังของฌานเสื่อมหมดลงไปเกิดในรูปภพไปเป็นรูปฌานไปเป็นรูปภพไปเกิดในอรูปภพไปเป็นอรูปภพพอกำลังของสติของฌานเสื่อมลง ก็จะลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมใหม่มาฝึกสมาธิใหม่ mm hmm. การปฏิบัติในระดับต่างๆเหล่านี้ยังไม่สามารถส่งจิตให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทาบุญทาทานก็ไม่สามารถหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้รักษาศีลไม่ทำบาปก็ไม่สามารถส่งให้ออกไป จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ฝึกสมาธิก็ไม่สามารถที่จะทําให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีทำอีกระดับหนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดทําระดับนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาค้นพบที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาคือโลกุตระธรรมธรรมที่จะพาให้ สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้สามารถหลุดออกจากตายภพนี้ได้เนี่ยต้องมีโลกุตลธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัด ส, รสทรงธรรมที่ทรงตัดสรุก็คืออริยสัจสีและไตรลักษณอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาและทุกขสมุทัยนิโรธมากพระพระ อ, องค์ทรง ได้คนพบว่าการมาเกิดนี้การมาเกิดและมีความทุกขจากการมาเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากการมีความอยากเสพกามนี้เองกามตัณหาหรือความอยากเสพ ร, รูปปัจจานเรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากเสพอรูปปัจจานเรียกว่าวิภาวะตัณหา ที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ที่ต้องการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องล ะ, ะความอยากทั้งสามนี้ถ้ายะถะท้าละความอยากเสพกามได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นนรกเป็นเทวดา แต่ยังไปติดอยู่ที่รูปภพกับอรูปภพอยู่พราะยังไม่ได้ละความอยากเสพรูปฌานและอรูปฌานถ้าละการเสพรูปฌานได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในรูปภพถ้าละการเสบความอยากเสบอรูปฌานได้ก็ไม่ต้องไปเกิดทั้งสามภพเลยตัวที่พาให้ ดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายนี้ดวมทั้งของพวกเราทุกคนนี้ยังมาเกิดในตายภพอยู่ก็เพราะความอยากทั้งสามนี้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ท่งค้นพบท่งตัดสรู้ส่งรู้ว่าภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้เกิดจากความอยากสามประการกามตัณหาความอยากเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นลด ภาวะตันหาความอยากเสพความสงบของรูปฌานวิภาวะตันหาความอยากเสพความสงบของอรูปฌานเพราะเป็นความสุขทั้งสมอย่างนี้เป็นความสุขอยาบละเอียดต่างกันการมาสุขนี้อยากกว่าความสุขของรูปฌานความสุขของรูปฌานก็อยาบกว่าความสุขของอรูปฌาน ความสุขของอรูปปชาณนี้เป็นความสุขที่สูงสุด ข, ของไตภพแต่ยังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็ยังเป็นไตรักอยู่อยู่ภายใต้กฎของไตลักแม้ว่าจะได้ได้เสพอรูปปชานานานเท่าไหร่ก็ตามในที่สุดมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะกำลังที่ส่งไปมันจะหมดหลเหมือนน้ำมันเนี่ย ไม่ว่าจะเติมเต็มถังหรือครึ่งถังก็ตามนะมันก็จะต้องหมดนะหมดช้าหมดเร็วทันเองถ้าเติมน้อยมันก็จะหมดเนาะมันก็จะหมดเร็วถ้าเติมมากมันก็จะหมดช้านี่คือเหตุที่ทำให้สัตว์โลกดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนนี้เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยพวกเรานี้เวลาตายไปนี้อาจจะไปคนละที่ก็ได้ ถ้าพวกเราคนไหนทำบาปมากกว่าทำบุญเนี่ยก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานคือไม่รู้ว่าเป็นบาปเช่นพวกที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> เขาบอกว่าต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่น่าจะบาปนะ <c oughs> เขาก็คิดอย่างนั้น <c oughs> แต่มันบาปถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมันบาป <c oughs> แล้วผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อเลี้ยงชีพก็จะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปถ้าทำบาปด้วยความโลภอย่างได้มากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตรงนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เราเรียก่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความหวาดกลัวกลัวสิ่ง น, นั้นจะมาทำร้ายเรากลัวคนนั้นจะมาทำร้ายเราเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนตรงนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว เรียกว่าอสูรรกายแล้วพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทล้างแค้นฟันต่อฟันตาต่อตาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีใจที่ร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาท ล, ลุกเป็นไฟตลอดเวลาเรียกว่าไฟนรกเนี่ยตรงนี้ตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ไฟนรกเผาผลาญจิตใจอันนี้คือ ที่ไปของพวกเราที่มานั่งกันอยู่ที่นี่เนี่ยเราตีตั๋วชนิดไหนก็ต้องไปที่จุดหมายปลายทางนั้นถ้าตีตั๋วไปเชียงใหม่ก็ต้องไปเชียงใหม่ไปขึ้นเครื่องไปภูเก็ตเขาไม่ให้ไปแล้วพอปิดตัว๋วนีต้องเปลี่ยนตั๋วใหม่ถ้าจะไปภูเก็ตก็ต้องเปลี่ยนตั๋วใหม่นี่ตั๋วเชียงใหม่ฉัในใดเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะต้องไปตามตั๋วที่ได้ตีไว้ ถ้าทำบาปก็ไปอบายสีถ้าทำบุญก็ไปสวรรค์หกชั้นด้วยกันถ้านั่งสมาธิเข้าฌานได้เข้ารูปฌานได้ก็ไปรูปภพเไปเป็นรูปประพรมถ้าเข้าฌานในระดับอรูปประพมได้ก็จะไปสู่อรูปภพไปเป็นอรูปประพรมนี่คือที่ไปของพวกเราที่นั่งกันอยู่นี้เพราะเราแต่ละคน ทำบุญทำบาปฝึกสมาธิมาไม่เท่ากันนั่นเองบางคนก็ทำบาปมากกว่าทำบุญบางคนก็ทำบาทำบุญมากกว่าทำบาปอันไหนมากกว่ากันมันจะส่งผลก่อนไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่น้อยกว่ามันสูญหายไปไหนเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีกำลังจะแสดงผลบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปมันก็จะส่งผลก่อน วนกว่าบาปมันมีกำลังน้อยกว่า บ, บุญบุญก็ถึงจะส่งผลได้ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาป พ, พวกที่ไปนั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่ก็จะไปรูปภพถ้าได้รูปประชานไปอรูปภพถ้าได้อรูปประชานแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกพอบุญหรือบาปหรือสมาธิหมดกำลังลงฌานหมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ผู้ที่จะไปแบบไม่กลับนี้ต้องปฏิบัติธรรมขั้นขั้นต่อจากสมาธิคือเรียกว่าขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะปฏิบัติได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนเท่านั้นเพราะในโลกนี้ไม่มีใครรู้การปฏิบัติธรรมขั้นนี้ได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา หรือถ้ามาเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติจิตของเราให้หลุดออกจากตายภพได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้บางประเทศนี่เขาไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธเลยแต่บางประเทศถึงแม้ไม่มีศาสนาพุทธเขาโชคดีเขาได้อ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้า อย่างชาวต่างชาติบางคนเนี่ยเขาเกิดในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่เขามีห้องสมุดหรือสมัยนี้เขามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไปในอินเทอร์เน็ตเขาก็ไปพบหนังสือไปทําพบคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสอนเรือ่องสอนเรื่องวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดพอเขา อ, อ่านแล้วเขาก็เกิดความเชื่ อ, เ, าาอเกิดความศรัทธาขึ้นมาเขาก็เริ่มลองปฏิบัติดู พอปฏิบัติเขาก็ได้เห็นความสงบเห็นผลจากการปฏิบัติเขาก็เลยเกิดศรัทธามากขึ้นมากขึ้นจนทําให้เขาต้องข้ามน้ําข้ามทะเลมาประเทศไทยนมาเมืองไทยเพื่อที่จะได้มาบวชกันชาวต่างชาติเนี่ยต้องมาบวชที่ประเทศไทยเพราะทางประเทศไม่มีที่บวชกัน เดี๋ยวนี้มีแล้วเพราะว่าชาวต่างประเทศที่มาบวชมาอยู่ในเมืองไทยนานพอสมควรเขารู้จักเรื่องของาศาสนาพุทธดีแล้วทีนี้เขาก็กลับไปตั้งวัดที่ประเทศเขาแล้วเขาก็มีการสั่งสอนเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนแล้วก็รมมีคนสนใจมากขึ้นมากขึ้นศึกษาปฏิบัติกันมากขึ้นจนเขาเดี๋ยวนี้สามารถบวชในต่างประเทศได้แนละ้ว ไม่ต้องมาบวชในประเทศไทยก็ได้แต่ถึงแม้บางคนที่ได้บวชในต่างประเทศแล้วเขาก็ยังไม่สามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดได้เพราะเขาคิดว่าในประเทศเขานี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสถานที่ที่ดีเท่ากับประเทศไทยบางคนบวชต่างประเทศแล้วก็ยังเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาศึกษากับครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าและมีสถานที่ปฏิบัติที่สงบสงัดวิเวกที่สนับสนุนและมีพุทธบริษัทชาวพุทธคือศรัทธาญาโยมคอยสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่ด้วยอาหารบิณฑบาตด้วยจีวรเครื่องนุ่งหม่มด้วยกุติที่อยู่อาศัยด้วยยารักษาโรค การมาอยู่เมืองไทยมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกนี้ในในขณะนี้ถึงแม้จะอยู่เมืองนอกเมือง น, อกนาก็ตามเขากลับเห็นว่าเมืองนอกนี้ไม่เหมาะต่อการเจริญธรรมเมืองไทยเราเหมาะกว่าแต่สำหรับญาติโยมพวกเรานี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมชอบเที่ยวกันกลับไปเห็นเมืองนอกดีกว่าเมืองไทย เห็นเห็นวัดป่าวัดเขานี้เป็นที่น่ากลัวไม่ก็น่าไม่น่าไปกันไม่น่าไปท่องเที่ยวกันต้องไปท่องเที่ยวตามประเทศต่างประเทศกันเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันจิตเรายังไม่สงบกันเรายังไม่เห็นความสุขที่เกิดจากความสงบเราไปเห็นความสุขที่ได้จากการดูการฟังการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั้นมันเลยกลับตาละปดกัน พวกฝรั่งกลับจากกับชอบมาอยู่ตามป่าตามเขามาอดมือกินมือกันหลายคนไทยนี่ชอบไปบ้านเขาไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่ตางๆไปกินไปเดิงดื่มวงดื่มวานกันดืม่มน่งดื่มเหล้ากัน <c oughs> นั่นก็เป็นเพราะว่าเราเป็นพวกใกล้เกลือกินด่างะ <c oughs> มีเกลือของดีกว่าด่างไม่กินกันชอบไปกินด่างกัน <c oughs> เวพวกใกล้เกลือกินด่างอย่างพวกที่ไปเที่ยวมองนาเนี่ยมันพวกใกล้เกลือกินด่างนะพวกฝรังนี้เป็นพวกที่ใกล้ด่างกัามากินเกลือเนี่ยพวกเนี่ยพวกฝรั่งเ็าฉลาดเห็นมีพระฝรั่งรูปหนึ่งขอมาเป็นคนไทยเลยมีฝรั่งที่ไหนมาขอสัญชาติไทยมีแต่คนไทยไปขอสัญชาติฝรั่งกันแต่นี่มีฝรั่งมาขอสัญชาติไทย รสึกจะเป็นพระชายาสารโรซึ่งได้ข่าวว่าในหลวงได้พระราชทานจัญชาติถ่ายให้กับท่านเพราะท่านได้ทำคาคุณทำประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจนมีความเข้าอกเข้าใจอย่างแจงกระจางแจ้งแล้วก็เลยนำเอาคำสอนที่ท่านาได้รู้ได้เห็นมาเผยแผ่สั่งสอน ผู้ที่ได้ไปยินได้ฟังธรรมของท่านก็เกิดศ ร, รัท ธ, ธาในตัวท่านน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันนี่คือธรรมขั้นปัญญาขั้นที่จะพาให้เราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏในโลกนี้ถึงจะมีปัญญาอันนี้คืออริยสัจสีกับไตรลักษณ์ ไม่มีใครสอนไปเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่มีสอนเรื่องอริยสัจสี่ไม่มีสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามาศึกษากับพระพุทธศาสนานี่จะมีการสอนเรื่องอริยสัจสี่มีการสอนเรื่องไตรไลรลักษณอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าศึกษาแล้วก็จะได้รู้ว่า เหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ก็คือความอยากทั้งสามนี่เองคือการมตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, วะวะหาความอยากเสพกามความอยากเสพรูปประชานและความอยากเสพอารูณปัจจานพอเรารู้แล้วว่ามันเป็นตัวที่ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราต้องการที่จะหยุดการเสษหยุดความอยากนี้เราก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในกามมาพบเห็นไตรลักษณ์ในรูปะพบเห็นไตรลักษณ์ในอรูปะพบคือเห็นว่ามันเป็นพบที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมาเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายเวลาแก่เจ็บตายก็ทุกข์ไม่เกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวพอมบุญหมดก็ต้องตกจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ไปเกิดเป็นพรมก็เช่นเดียวกันพอฌานเสื่อมลงก็จะตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ให้พิจารณาตายรับให้เห็นว่าเป็นอนิจจังอะไรที่เป็นอนิจจังมันต้องเป็นทุกข์เพราะมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์กันไม่มีใครอยากเจออนิจจังคําว่าอนิจจังนี่กลัวกันเมื่อเกิด อนิจจังก็คือความตายนี่ไงความตายนี่ก็คือความอนิจจงไม่มีใครอยากจะเจอความตายกันแต่ถ้ามาเกิดแล้วก็ต้องเจอกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นได้จะหนีพ้นจากความตายได้ก็คือต้องไม่มาเกิดเท่านั้นทุกย่อไม่มีกับผู้ที่ไม่มาเกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังมีความตายอยู่ตามมาอยู่นะ การมาเกิดนี้ก็เกิดจากการเสพกามนี่เองเกิดจากการเสพกามเสพรูปประชานและเสพอารูประชานถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในใจพบก็ต้องตัดความอยากที่จะเสพกามเราตัดความอยากที่จะเสพกามได้ก็ไปตัดความอยากที่จะเสพรูปประชานตัดความอยากที่จะเสพรูปประชานได้ก็ไปตัดความอยากที่จะเสพารูประชานตามลำดับต่อไป พอตัดได้หมดด้วยตายรักเพราะเห็นว่าพบทั้งสามนี้เป็นไตาลักเป็นอนิจจังทุกขังมรณาตาอพอตัดความอยากทั้งหมดได้ใจก็จะไม่มีความอยากที่จะดึงให้มาเกิดในตายภพอีกต่อไปพบชาติก็จะสิ้นสุดลงพบชาติก็จะไม่มีต่อไป เ, เมื่อได้เจริญปัญญาเห็นตายรัก์ในตายของตายภพเห็นการมาเกิดเป็นมนุษย์ ว่าถึงแม้จะเกิดดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีไปเกิดเป็นทเทวดาเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมาไปเกิดเป็นพรมเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเสื่อมลงมากลับเป็นมนุษย์ใหม่ดังั้นวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ละด้วยปัญญาแต่ปัญญา นี่ต้องมีเป็นปัญญาที่สนับสนุนด้วยสมาธิและศีลต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วก็มีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิถึงจะมีกำลังที่จะใช้ปัญญาหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ดังนั้นถ้าท่านต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดท่านก็ต้องสร้างศีลขึ้นมาก่อนเบื้องต้นกร็รักษาศีลห้าไปก่อน อารักษาศีลห้าได้ก็เพิ่มเป็นศีลแปดเอาตอนเริ่มต้นก็เอาแค่อาทิตย์ละวันก่อนถือศีลแปดในวันพระกันแล้วพอถือศีลได้หนึ่งวันแล้วก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันไปเรื่อยๆต่อไปก็จะรักษาศีลแปดได้ทุกวัน <Yeah. S 1> พอรักษาศีลแปได้ก็จะไปนั่งสมาธิได้จะมีเวลานั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิบ่อยๆมากๆเดี๋ยวก็จะได้อัปปนาสมาธิ ได้ฌานสี่ได้จิตที่ได้ฌานสี่นี้จะมีอุเบกขาจิตที่เป็นกลางนิ่งเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วพอเอาปัญญามาสอนใจให้หยุดรักหยุดชังหยุดกลัวหยุดหลงก็จะหยุดได้หยุดอยากได้พอหยุดอยากได้ใจก็จะปราศจากสิ่งที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ใจก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวผู้ที่ละความอยากทั้งสามนี้ได้ก็จะเป็นพระอารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาใจของผู้ที่ละความอยากได้ก็เรียกว่านิพพานนี้เองเป็นใจที่มีแต่บรมมัสุขนิบานังปามังสุขขังเป็นใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุรทมกี่กี่ยุคกี่สมัยก็ตามจะสอนเหมือนก่อนสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดลนะสอนวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนะด้วยการละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงนะคือการรักษาศีลด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือการทำบุญทำทานต่าง และด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือการบําเพ็ญจิตตภาวนาคือส ม, มถะภาวนาได้แก่การทำใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสนาภาวนาคือการสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอริยรรสัจสีพอได้ปฏิบัติครบร้อยเต็มร้อยแล้วผลก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจจะหายไปหมด ใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นนิบานังปรมังสุขขังขึ้นมาเป็นใจที่ไม่หิวกับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่หิวกับการวัฏันหาภาวะตันหาวิภาวะันหาใจจะมีความสุขมีความอิ่มตลอดเวลาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คือธรรมที่พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติกัน โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้เราจะทำให้เข้มข้นกันมากขึ้นบางท่านก็อาจจะตั้งจิตอธิษฐานว่าพรรษานี้จะขอทำบุญทุกวันบางท่านก็จะตั้ ง, งจิตอธิษฐานว่าจะขอรักษาศีลห้าทุกวันวันพักก็จะขอรักษาศีลแปดบางท่านก็จะขอไปอยู่วัดไปบวชบวชชีก็ได้บวชโกนหัวก็ได้บวชพระก็ได้ ตลอดระยะเวลาสาเดือนเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจเพื่อการตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดลดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันน้อยลงและถ้าได้ผลดีก็อาจจะไม่สึกเลยก็ได้บางท่านบางทีตั้งใจว่าจะบวชชั่วคราวแต่พอไปได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วมันชนะรดทั้งปวง ชนะรถของรูปเสียงกลิ่นรถถุทะพระก็เลยตัดสินใจไม่สืบดีกว่าได้ของดีแล้วไปเอาของไม่ดีมาทำไมได้รถเบนซ์แล้วจะกลับไปขับรถกระบะทำไมนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าท่านมีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติธรรมท่านจะต้องเจริญเก้าหน้าขึ้นไปตามลำดับอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วและได้รับผลมาแล้ว คือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายและพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอยไม่หยุดหย่อนจนในที่สุดท่านก็ได้รับผลอันสูงสุดพวกเราพระพุทธเจ้าก็สง่งรับประกันไว้แล้วว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติจริงๆแล้วแล้วก็ต้องได้ผลอย่างแน่นอน นี่คือธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคะลังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกพัพปติ อิชิตังปัต um ิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพารโวินัสต ok ุมาเตภวตโตอันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ ระพิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมาวะาทานติอายุวันโอสุขังภาลาังเน้นขอย้ำเตือนเรื่องการประชุมครั้งต่อไปนะจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพระนะ เปลี่ยนจากทุกสี่วันเป็นวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์และวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยจะมีการแสดงธรรมที่กุฏินี้เ mm hmm. ชิญมาได้ทุกคนแต่ต้องเอาเสือมาเองเอาล่มมาเอง mm hmm. เอาเครื่องป้องกันตัวมาเอง mm hmm. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถาม mm hmm. ใครอยากจะถามอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะ ให้ขยายความในบางเรื่องบางอย่างก็เชิญถามได้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้านค่ะพระอาจารย์เฟ e บุ๊ k พระอาจารย์สุชาติ425เฟ e บุ๊ k พ อ, อจอสุชาติ71 YouTube 287วิทยุออนไลน์13 Zoom 8 ผู้รับฟังหนึ่งรอยห้าสิบแปดรวมเก้าร้อยหกสิบสองค่ะพระอาจารย์วันนี้ที่มาที่นี่เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดค่ะมื่วานนี้สองร้อยกว่าก็เชิญถามได้เลยนะถ้ามีคำถามอะไรโอเคเชิญถามได้คำถามจากคุณนิชาค่ะพระอาจารย์แสดงธรรมว่า ความบริสุทธิ์ของศีลเป็นส่วนประกอบสำคัญสูนิพานกราบเรียนถามว่าถ้าการภาวนาจะก้าวหน้าสูงขึ้นหรือถดถอยลงก็ด้วยความบริสุทธิ์ของศีลหรือเจ้าคะเป็นอย่างไรเจ้าคะคือเป็นส่วนประกอบมันไม่ได้เป็นส่วนเดียวเท่านั้น <Thank you. S 2> คือถ้าไม่มีศีลก็เดี๋ยวก็ไปตีกันเถอไปกินเหล้าเมายา <c oughs> ไปมีเรื่องมีราว <c oughs> ไปติดคุกติดตารางก็ <c oughs> จะไป ไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไรคนที่มีศีลนี่ก็ปลอดภัยจากเรื่องราวเหล่านี้ไม่กินเหล้าไม่เมาไม่อารวาสไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครไม่ไปตีกับใครไม่มีเรื่องมีราวต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันนั้นก็จะได้ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆเพราะาการทำบาป น, นี้เป็นการสร้างปัญหาให้กับเราพอเรารักษาศีลได้เราก็ป้องกันปัญหาต่างๆได้ คำถามจากคุณพานุวงศ์ค่ะถ้าในช่วงต้นของการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิมีจิตฟุ้งซ่านถือว่าปกติไหมครับปกติของคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติเพราะใช้ความคิดอยู่ทั้งวันมันก็พุ้งอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทั้งวันอยู่แล้วพอจะมาปฏิบัติมันก็เลยดูลมไม่ได้พุดโทรไม่ได้ก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนเพื่อลดความฟุ้งซ่านลง หรือยังสวดไม่ได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนถ้าฟังเทศฟังธรรมก็ยังไม่หายฟุ้งก็ไปนอนซะ ก, ก่อน <c oughs> นอนพักสักพักจนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จิตก็อาจจะไม่มีเรื่องเวลาตกค้างอยู่เห็น <c oughs> บางทีการภาวนานี่บางทีบอดในช่วงเช้าเช้าเช้ามืดเนี่ยแล้วตื่นเช้าขึ้นมานี้เรื่องราวต่างๆที่ทํามาในอดีตในวันที่วันที่ผ่านมามัน จางหายไปแล้วถ้าจะทําตอนเย็นก่อนนอนนี่บางทีโอ้เรื่องยังตกค้างอยู่ในใจก็เลยบางทีต้องอาศัยการทําตอนที่ตื่นเช้าขึ้นมาใหม่ๆแต่ปัญหาการทําตอนตื่นเช้าขึ้นมาก็ง่วงอีกอะ่ะอยากจะนอนต่ออีกอันนี้ก็ต้องบังคับตัวเองะต้องมีวินัยอถึงเวลาทํางานแล้วถึงเวลาปฏิบัติธรรมแล้วนอนพอแล้ว ถาร่างกายมันตื่นขึ้นมาเองนี่แสดงว่ามันพอแล้วไม่ต้องนอนต่อคําถามจากคุณกาลยากากรรมไม่ดีที่เราเคยทําผ่านมาแล้วไม่สามารถลบล้างได้ใช่ไหมเจ้าคะเช่นถ้าเราเคยฆ่ามดตอนเด็กๆแล้วโตมาเรารู้จักศีลรู้สึกผิดเราขออโหสิกรรมในเวลาแผ่เมตตาเราทําได้แค่นั้นใช่ไหมเจ้าคะได้ลบไม่ได้หรอกมันจะลบตัวมันเองเมื่อมันแสดงผลแล้ว ยังไม่มาใใจาอยู่จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ <c oughs> กล่าวเปลี่ยนถามพระอาจารย์ครับยิพานคือการไม่เกิดอีกแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> ก็อยู่ในโลกเทพเน่ยอยู่ในที่เดียวจะกับที่เราอยู่ในตอนนี้เนพะียงแต่ว่าเราไม่มาเกาะร่างกายทนะั้นเองเราไม่ต้องมากังวลมาทุกข์กับร่างกายเราอยู่แบบไม่มีร่างกายนะอยู่แบบกายทิพยแล้วก็อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงกว่าชั้นเทพชั้นพรหม เป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมคำถามจากคุณทิพสุดาขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติภาวนาในการใช้สติปัญญาในปัจจุบันด้วยในบางครั้งชีวิตเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่มากระทบใจไม่ได้เลยครับก็อย่ายไปหามันสิที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราคอยไปหามันด้วย ลองไปอยู่วัดดูเสียเรื่องราวต่างๆมันก็ไม่มีเข้ามาเองงั้นเราที่ก็ต้องรู้จักหลีกรู้จักหลบถ้าเราตัวไปคุกในกองไฟมันก็ต้องถูกไฟเผานะใช่ไหมถ้าไม่อยากให้ไฟเผาก็ออกจากกองไฟไปสี่ขวิเวกไปอยู่วัดเนี่ยเวลาว่างวันหยุดนี้ไปอยู่วัดดีกับไปเที่ยวไปเที่ยวไปเดี๋ยวก็ไปเจอพวกเดียวกันนี่ไปเที่ยวด้วยกันนี่ไปเจอกันนี่ไปตีกันนี่ไปทะเลาะกัน เนี่ยเราไปอยู่พวกคนอยู่วัดคนอยู่วัดส่วนใหญ่เขาเป็นพวกรักสงบถึงแม้เขายังมีกิเลสบ้างบางคนก็มีน้อยแล้วก็หลีกได้ง่ายกว่างั้นก็ไปหัดปีกวิเวกกันไปเบองตอนถ้าปฏิบัติไม่เป็นก็ไปปฏิบัติตามหลักสูตรเขากันมีสถานที่ให้ปฏิบัติห้าวันเจ็ดวันสิบวันแล้วก็สอนวิธีเจริญสติสวิธีนั่งสมาธิ ต่อไปถ้าเรามีสติมีสมาธิเวลาเราอยู่ในโลกเราก็ยังพอที่จะมีเครื่องมือพอคอยระงับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจต่างๆได้เห็นการไปหัดปฏิบัติทรรนี้เป็นของดีเพราะเป็นเหมือนกับการไปหัดว่ายน้ำํำถ้าเราว่ายน้ําเป็นเราตกน้ําเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ว่ายได้ถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นเราจะกลัวเรื่องการตกน้ํามากตกแล้วเราก็จะเดือดร้อน เงินไปหาดฝึกสมาธิกันไปอยู่วัดกันไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติอยู่วัดพุทธเขาก็มีของหลวงพ่อเจรันก็มีมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้สำนักต่างๆวัดวาอารามต่างๆนี้จะจัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วงนี้ช่วงพอมีวันหยุดปับ๊บเขาก็จะมีการจัดประการปฏิบัติในเมื่อเรายังปฏิบัติเองไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนอยากคนที่เขารู้จักวิธีปฏิบัติก่อน พอรู้แล้วทีนี้เราก็สามารถปฏิบัติเองได้เแต่นั่งเก้าอี้เขานั่งตองนี้ได้นะเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งนี่ยนี่นะดูให้เป็นตัวอย่างแต่แล้วเดี๋ยวก็ต้องเป็นอย่างนี้กันทุกคนอย่ามาเกิดอันทีที่สุดนะ <c oughs> มันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายครั้งเดียวเนะี่ยประทับใจเลยไม่ลืมเลย เหตุเทวนาคตของตัวเองต่อไปจะต้องเป็นอย่างนี้ทุ่ไม่เกิดดีกว่าไปหาวิธีไม่เกิดก็คือไปปฏิบรรัติทำค่ะคาถามถัดไปจากคุณกระยากาค่ะการฝึกตัวเองให้มีวินัยในการปฏิบัติพระอาจารย์แนะนําให้เริ่มจากตรงไหนคะควรจะเริ่มจากการบังคับใจตัวเองก่อนถูกหรือไม่เจ้าคะ ก็น่าแ่ะวินัยก็คือการบังคับใจเราให้อยู่ในกรอบของธรรมไม่ให้ไปตามทางของกิเลสใจของเราส่วนใหญ่จะไปกับกิเลสชอบไปกับกิเลสนี้เรารู้แล้วว่าการไปกับกิเลสนี้พาเราไปหาความทุกข์กันเราก็ต้องฝืนมันบังคับใจอย่ายไปตามตามกิเลสไปทาตามธรรมกำหนดเวลาให้มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ มีวินัยก็คือพอถึงเวลาจะต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่พอถึงเวลาก็ผัดวันประกันพรุ่งแล้วไว้วันนี้ไม่ว่างวันนี้เหนื่อยวัวนนี้เพลียวันนี้มีธุระวันนี้มีรายการดีต้องดูมืนกันไม่ได้ปฏิบัติสักทีเราต้องไม่มีข้อแม้พอกําหนดเวลาถึงเวลาปุ๊บทำทันทีนี่เรียกว่ามีวินยัย คำถามจากคุณชมชนกค่ะตอนนั่งภาวนาจิตชอบไประลึกเห็นภาพเห็นสถานที่ต่างๆเจ้าค่ะเป็นสถานที่ที่ไม่สะอาดจะทำอย่างไรให้ความรู้สึกหรือภาพนี้หายไปเจ้าคะส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเผลอสตินี่งั้นเราก็ต้องกลับมาที่สติกลับมาที่พุทโธกลับมาที่ดูลมหายใจถ้าเราดูลมหายใจไปป๊บพอเราหยุดปั๊บเดี๋ยวภาพต่างๆก็ปรากฏขึ้นมา อยาถ้าเราพุโทโธไปเรื่อยๆมันจะไม่เกิดดูลมไปเรื่อยๆมันจะไม่เกิดคําถามจากคุณวัุวัตค่ะสมัยพระอาจารย์บวชภิกษุใหม่กลัวความมืดกลัวผีไหมครับต้องจําวัดองค์เดียวไม่มีไฟฟ้าในกุฏิที่วัดป่าเราแก้มันมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กนะ้วตอนเป็นเด็กเคยไปไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปนอนแล้วมีเสียงกุกกักกุ๊กกักในหลังคาเนี่ย มันมันก็จําได้ว่าต้องสวดมนต์ไว้แล้วสวดอหัหลัฮัมมำมาติปิโสไปสวดไปสักพักหนึ่งความกลัวก็หายไปใจก็สงบหลังจากนั้นมันไม่ค่อยกลัวมันอยู่คนเดียวได้นอนคนเดียวได้ไปที่ไหนพอกลัวมันก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไป เาความกลัวมันเกิดจากความคิดของเราเองคิดว่าเป็นนูดเป็นนี่เป็นผีเป็นหาอะไรกตา่าง <c oughs> <c oughs> พอเราหยุดคิดเท่นั้นเรามาพุโทโธพุโทโธส่วนมันไปมันก็ลืมไปมันก็หายไปเห็นเราจริงไม่ค่อยมีปัญหาเราอยู่คนเดียวมาตลอดเราไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กนี่เขาไปฝากอยู่คนนั้นอยู่คนนี้เขาก็ให้เราอยู่คนเดียวไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนเราตอนนี้คําถามไม่มีครับพระอาจารย์ <c oughs> มันไม่มีหรอกเขาเรียกว่าผีจริงไม่หรอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยเนี่ยตายไปแล้วเขาก็ไปตามบุญตามกรรมของเขาแล้วเขาไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอะไรของเขาไปเกิดใหม่แล้วนอกจากคนที่เขามีความผูกพันเราห่วงใ ย, ยเราเขาก็อาจจะมาเข้าฝันเราอ่เพราะฉะนั้นเองยังรักอยู่ยังคิดถึงเราอยู่แต่เขาไม่มาทําร้ายเราหรอกเพราะเขารักเราเขาชอบเรา แล้วไอ้ผีที่หลอกนี่ไม่ใช่ผีจริงเพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองเราคิดขึ้นมาเองนี่เขาเรียกผีหลอกเอ้ยผีนู่นผีอันี่ผีได้ยินเสียงกึกกกกึกกก็ผีได้กลิ่นธูปหน่อยก็ผีบางทีคนข้างบ้านเขาจุดธูปไห้ายนกิ่นธูปมาเข้าจมูกว่าผีมาแล้วมันไม่ผีมันเป็นมันกลิ่นธูปเนี่ย เราอย่าไปปรุงแต่งพวามจริจ้าวเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นอะไรก็สักแต่ว่าได้กลิ่นอย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นกลิ่นนู่นกลิ่นนี่เมื่อยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่เราคิดก็อย่าไปปรุงแต่งหลอกตัวเองนี่เขาเรียกว่าผีหลอก <enam> ผีหลอกไม่จรงิงผีจริงไม่หลอก <EN> ยังไม่มีครับอาจเรย์ยังไม่มีนังั้นพยายามฝึกสติไปเรื่อย มีสติแล้วจะคุ้มครองใจเรา <Yeah. S 2> เพอใจเรากลัวก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปเดี๋ยวความกลัวก็หายไปเ <Yeah. S 2> วลาโกรธก็เหมือนกันโกรธก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปเดี๋ยวเดียวความโกรธก็หายไป <Yeah. S 2> เพราะความโกรธไม่เกิดจากเราสร้างขึ้นมาเองใครทําแม่อะไรไม่ถูกใจเราเราก็โกรธเขา <Yeah. S 2> ใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะให้เขารางแค้นเขา <Yeah. S 2> พอ้านแค้นเขาไม่ได้ก็ยิ่งโกรธใจ yeah. วิธีที่จะทำให้เราไม่โกรธก็คืออย่าไปคิดถึงเขาเลยแล้วก็มาคิดพุทธโธพุทธโธคิดกับบทสวดมนต์ไปสวดไปสักพักเดียวห้านาทีสิบนาทีก็ลืมนะอย่างตอนนี้ยอมไม่โกรธใครแล้วใช่ไหมเคยโกรธคนโน้นคนนี้ถ้าเป็นแทบตายตอนนี้หายไปไหนเพราะเราไม่ไปคิดถึงเขาเลแต่ถ้าไปคิดถึงเขาปุ๊บอาจจะโกรธขึ้นมาได้ตอนนี้ อ่มันความโกรธมันเกิดจากความคิดของเราไม่ได้เกิดจากใครหรอกคนที่ทําให้เราโกรธเขาไม่ไม่สามารถทําให้เราโกรธได้ถ้าเราไม่ไปโกรธเขาเขาจะทําให้เราโกรธยังไงเราก็ไม่โกรธเขานันอยู่ที่ความคิดของเราพอเราโกรธเขาเราก็หยุดความคิดเสียพอไม่คิดถึงเขาความโกรธก็หายไปกลัวเรื่องอะไรก็อย่าไปคิดถึงมันสวดมนต์ไปเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทําให้เรากลัวความกลัวก็หายไป คำถามจากคุณสุภาชัยค่ะผีสามารถเข้าสิงต้นไม้ได้ไหมครับไม่ได้ละผีมันต้องผีกระโดงวิญ ญ, ญาณมันต้องเข้าสิงร่างกายต้องมีตาหูจมูกเลิ้นกายคือร่างกายใหม่ร่างกายที่ไม่มีดวงวิญ ญ, ญาณร่างกายที่มีดวงวิญ ญ, ญาณแล้วเข้าไปไม่ได้อย่างร่างกายพวกเรานี้ผีจะเข้ามาสิงอยู่กับเราไม่ได้นะถ่ายอยู่กับเราไม่ได้ของใครของมัน อันนี้เข้ามาซ้อนไม่ได้นันล่างทรงร่างเสริงนี่ก็ตัวเดียวกันนึกตัวเองทรงแล้วก็บอกว่าเป็นล่างทรงแล้วล่างทรงนี่คำ น, นี้ก็เป็นจิตของตัวเองที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองแค่นั้นเองว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะเขาในดิตชาติเขาเคยฝึกมาทางนี้มันก็เลยทําให้เขามีอาการต่างๆเหล่านี้ได้ แล้วก็อาจจะมีตาทิศก็มีตาทิศเราก็เลยบอกอไอ้นุ่นอยู่ตรงนั้นไอ้นี่ตรงนี้เป็นไปได้เรื่องของการมีตาทิศนี่เป็นไปได้แต่เรื่องการของการมีพระเจ้ามาเข้ามาส่งในใจเรานี้ไม่มีอะในร่างกายเรานี้มีใจองค์ตัวเดียวใจเดียวคือใจของเราไม่เช่ว่าพระเจ้าตาเข้ามาบ้างพระอรหันต์องค์นั้นเข้ามาบ้างไม่มีหรอกสังคมใหมว่า อันน <idée> <téléphone> ั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องปรุงแต่งเข้ามาไม่ได้ท่านเขาอยู่ของท่านอยู่ดีๆท่านอย่ามาอย่ามาเข้าร่างกายต่ําต้อยของเราทําไมไปดึงฟ้ามัาลงต่ําทําไมใช่ไหมโอเคคําถามจากคุณอ้อมค่ะถ้าเราทํางานเกี่ยวกับศาสนาอื่นนี้เราจะบาปไหมคะถ้างานนั้นไม่ได้ไปทําให้คนเข้าเสียหายเดือดร้อนก็ไม่บาป ถ้าเป็นงานศาสนาให้ไปฆ่ากันเนี่ยยังมีสองศาสนาเขาแย่งกรุงศสจรุสเลนกันเนีราอิสลามกับคริสต์เนี่ยเขาก็ไปฆ่ากันเขาก็ทํางานเพื่อศาสนาอย่างนี้บาป<ๆ>เพราะเป็นการไปทําบาปถ้าไม่ทําบาปเช่นเป็นบาทหลวงแนละ้วมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเนี่บาทหลวงหลวง พ, พ่อเลที่พัทยาเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างนี้นี้ไม่บาปเป็นบุญ มันมันอยู่ที่งานที่เราทาว่าเป็นงานบุญหรืองานบาปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทำเพื่อศาสนาหรือทำเพื่อใครต้องดูที่งานที่เราทำถ้าเป็นงานบุญทำให้ใครมันก็เป็นบุญดังนั้นถ้าเป็นงานบาปทำให้ใครมันก็บาปดังนั้นคำถามจากคุณกระยาคะสวดมนต์แบบออกเสียงแล้วก็สวนในใจมีความแตกต่างของผลการปฏิบัติไหมคะอย่างไรคะ มีเพราะว่าถ้าสวนในใจได้จิตก็จะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องใช้กำลังมากไม่ต้องส่งมาที่ร่างกาย<ม>ก็จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่ากับการสวดผ่านทางร่างกายแต่ถ้าจิตยังไม่มีกำลังสวดในใจก็ต้องอาศัยการสวดทางร่างกายไปก่อนเพื่อกระตุ้นกำลังสติให้มีมากขึ้นต่อไปพอมีมากขึ้นก็สามารถสวดไปภายในใจได้ คำถามจากคุณทีกัตนาเมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์พูดว่าเปลี่ยนตารางใหม่เป็นสดทุกวันพระและเสาร์อาทิตถูกต้องไหมเจ้าคะทุกทุกสี่วันยกเลิกแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องเริ่มตั้งแต่วันคราวหน้าไปคือเดิมทีจะเป็นวันที่สิบวันศุกร์ก็จะเลื่อนเป็นวันเสาร์ที่สิบเอแล้วก็ต่อได้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่เป็นวันพระ ต่อไปก็จะให้ถือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการถ้ามีวันหยุดราชการหรือมีวันหยุดชดเชก็มีการแสดงธรรมแล้วก็วันพระเพราะญาติโยมจะสะดวกในวันเหล่านี้ถ้าเป็นแสดงวันที่ญาติโยมไปทํางานมันก็มาไม่ได้เลยต้องปรับแต่เมื่อก่อนที่ญาติโยมออกไนอกบ้านไม่ได้เราก็เลยจัจัดตารางตามความสะดวกของเราเราก็สะดวกทุกสี่วันทีนี้มัน เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเขาเลยต้องปรับกับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน <Yeah. S 1> ก็เลยขอแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าท่านยังไม่ได้ยินไม่ทราบก็ <Yeah. S 1> จากทุกสี่วันก็จะเป็นวันการแสดงธรรมในวันเสาร์วนอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดชดเชยและวันพระ <Yeah. S 1> ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์